เส้นทางบินธบาตของหลวงตาสมัยที่หลวงตาท่านออกไปรับบาตรที่หมู่บ้านท่านจะออกเดินจากวัดตามเวลาที่สมควรคือกะว่าพระทั้งหลายที่ออกบินธบาตไปก่อนหน้าแล้วจะมารวมกันที่หน้าหมู่บ้านพอดีหลวงตาท่านเดินรับบาตรจากผู้คนในหมู่บ้านผ่านหน้าบ้านของผมไปแล้วเดินอ้อมไปตรงถนนหน้าโรงเรียน จากนั้นจึงวกกลับมาทางเดิมอีกที่ที่หลวงตาเดินออกมารับบาทเป็นถนนสายเล็กๆนับว่าท่านเดินไกลพอสมควรทีเดียวขนาดผมขี่จักรายานไปวัดยังเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วท่านเดินออกมารับบาดไกลเลิศเกินต่อมาภายหลังท่านเดินรับบาทตรงสามแยกยนเส้นทางรับบาทเรื่อยมาตามความเหมาะสมกับวัยของท่านที่มากขึ้นทุกปีทุกปี หลวงตาเป็นผู้นำรับบาทร่วมกับพระองค์อื่นๆท่านเดินสะพายบาทออกจากวัดองค์เดียวไม่มีใครตามเดินออกไปตามถนนท่านเป็นพระที่เดินเร็วมากดูเผินๆท่านเดินเนิบๆหลังตรงเดินเอื่อยๆช้าๆแต่ขอโทษทีผมเดินตามไม่ทันท่านตอนผมบวชผมบินทบาตในหมู่บ้านตาดออกไปบริเวณรอบนอกหลวงตาบินทบาตแค่ทางสามแยก พวกพระต้องรีบเดินจำจ้ำกันออกไปให้ทันท่านที่จะรับบาตรที่จุดนัดพบสามแยกหลวงตาท่านเป็นผู้นำรับบาตรพอรับบาตรจนถึงองค์สุดท้ายแล้วพระต่างต้องรีบจ้ำสุดกำลังเพื่อแสงท่านขึ้นไปรีบเข้าวัดไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนท่านขึ้นศาลามีท่านน้อยที่ต้องคอยรับบาตรท่าน เดี๋ยนี้หลวงตาท่านชรามากขึ้นปีที่96แล้วไม่ได้ออกเดินบินธบด้วยตัวท่านเองแล้วท่านสุดใจท่านจะรับบาดแทนองค์หลวงตาหลวงตาอายุมากแล้วอ่อนแอลงทุกวันเมื่อวัดป่าบ้านตาดเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกผู้คนต่างก็หลั่งไหลมากันแน่นวัดทุกวันบางวันพระต้องใช้เวลาเฉพาะตักอาหารเกือบสองชั่วโมงและหลวงตาท่านฉันพิงไม่กี่คำสูบผอมลงมาก ผมไม่อยากให้ท่านต้องเดินทางไปไหนไกลกๆผมอยากให้ท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่ที่วัด